25. จิตเข้าใจธรรมะถึงจะละกิเลสได้วงเล็บเปิด 2. มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที18วงเล็บปิดเราเข้าใจธรรมะกับจิตเข้าใจธรรมะมีข้อแตกต่างกันคือเราเข้าใจธรรมะละกิเลสไม่ได้ไม่เกิดมรรคผลนะถ้าจิตเข้าใจธรรมะถึงจะละกิเลสได้เกิดมรรคผลได้ถ้าเราเข้าใจมันก็แค่ความเฉลียวฉลาดของเราพอแก่ๆ ก, ก็ลืมแล้ว